ไม่มีงานอันใดในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญที่มีคุณประโยชน์มากกว่างานจิตตะภาวนาเพราะงานจิตตะภาวนานี้เป็นงานที่จะมีผลต่อจิตใจมีพุนมีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างยั่งยืนอย่างท้าวอน อย่างมันง่นคงไม่เหมือนกับงานต่างๆงานอื่นๆในโลกนี้เป็นงานที่ไม่ได้ให้ความาได้ให้คุณประโยชน์แก่จิตใจอย่างแท้จริงเพราะว่าผลของงานในโลกนี้ได้มามากน้อยเพียงไร เวลาที่ร่างกายตายไปผลของงานที่ได้มาก็จะหมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปแต่งานผลงานที่ได้จากการจิตตภาวนานี้จะเป็นของเราร่างกายตายไปแต่ผลงานที่ได้จากการบําเพ็ญจิตตภาวนา มันไปกับใจอยู่กับใจเป็นของใจนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างงานสองชนิดนี้ถ้าเปรียบเทียบงานทางโลกที่เราทำกันนี้เป็นเหมือนกับงานที่เราเหมือนกับงานก่อสร้างปราสาสตเจดีทราย ที่เราไปเล่นกันไปสร้างกันตอนที่น้ำลงเวลาน้ำลงเราก็มีพื้นที่ที่เราจะน้ำทะเลละลงไปก็จะมีที่ที่จะมาก่อกองทรายกันก่อเป็นปราสาทก่อเป็นบ้านก่อเป็นรถยนต์ก่อเป็นอะไรต่างๆที่เราอยากจะก่อกันแต่พอน้ำขึ้นมา สิ่งที่เราก่อด้วยทรายมันก็จะถูกน้ำซัดหายไปหมดถ้างานจิตธราวานาก็เปรียบเหมือนกับการก่อสร้างบนบนพื้นที่สูงที่เราสร้างบ้านสร้างอาคารกันนี่เราจะไปสร้างที่เราไม่ไปสร้างที่ชายทะเลกันไม่ไปสร้างในชายหาดเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยว น้ำทะเลมามันก็จะซัดทิ้งไปหมดเราไปสร้างที่สูงที่ไกลจากทะเลแต่ตราวบ้านช่องจึงอยู่ได้อย่างยาวนานอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบงานก็งานที่เราทํากันทางโลกนี้งานหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาคนนั้นคนนี้หามาได้มากได้น้อยเพียงไร พอตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่มีใครเอาไปได้เลยแต่งานทางจิตใจงานจิตตภาวานานี่เอาไปได้ทำได้มากน้อยเท่าไหร่เอาไปได้หมดนี่แหละจึงความสำคัญยังไม่มีงานอะไรที่จะสำคัญกว่างานจิตตภาวานาม เพราะผลประโยชน์ที่จะได้รับจากงานจิตตภาวนานี้มันให้ความสุขแก่จิตใจมันช่วยกำจัดความทุกข์ยากลำบากของจิตใจให้หมดไปได้แต่งานทางโลกนี้ต่อให้ทำได้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็อาจจะกำจัดความทุกข์ยากลำบากทาใจได้เป็นพักๆ ให้ความสุขทางใจไปได้เป็นพักๆชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอตายไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็จะหมดไปและแทนที่จะไปแบบสบายกับจะไปแบบฮุนวายใจเพราะจะต้องพัดพากจากสิ่งที่หามาได้แทบเป็นแทบตายไปอย่างน่าเสียดาย ยิ่งหามามากเท่าไหร่ก็ต้องเสียมากเท่านั้นมีมากก็เสียมากมีน้อยก็เสียน้อยคนที่มีน้อยเวลาตายจึงเสียน้อยกว่าคนที่มีเงินมากคนรวยนี้เสียค่าตายมากกว่าคนจนค น, คนมีเงินร้อยล้านก็ต้องเสียค่าตายร้อยล้านคนจนมีสิบ มีร้อยบาทก็เสียค่าตายค่าร้อยบาทค่าทำศพก็เรียกว่าเป็นค่าทำศพก็ได้เวลาตายนี่เขาลิบตหมดเลยใช่ไหมขาเอาไปเป็นค่าทำศพหมดคนมีเท่าไหร่แสนล้านเนี่ยเก็บหมดตายไปเอาไปทำศพหมดค่าทำศพหรือค่าตายค่าออกจากโลกนี้เวลามาอยู่ในโลกนี้ มีมีค่าบริการที่ต้องจ่ายเวลาตายคนหาเงินมาได้เท่าไหร่มากน้อยเพียงไรเวลาตายนี่เขาลิฟต์ไปหมดเลยเขาไม่ให้เอาติดตัวไปแม้แต่บาทเดียวอย่างนั้นคนจนคนจนคนขอทานนี่ตายแบบสบายเสียค่าตายน้อยกว่าคนรวยคนรวยนี่เสียค่าตายมากกว่าคนจน คนคนจนได้เปรียบคนรวยตอนนี้ตอนตายเวลาตายนี่ไม่เสียค่าอย่างพระตายนี่เห็นไหมเสียแค่อัฐบริการนั่นนึงเสียค่าสมบัติของพระมีแค่แปดชิ้นเสียบาทไปใบหนึ่งเสียจีวรไปสามผืนเสียเข็มขัดรัดเอวไปหนึ่งเส้นเสียเข็มกระดาไปหนึ่งชุด เสียใบมีดโกนที่โกนมีดโกนไปอันหนึ่งแล้วก็เสียที่กรองน้ำไปหนึ่งอันอนี่คือสมบัติของนักบวชของคนจน เ, เสียค่าตายเสียแค่แปดชิ้นนี้นะแต่สิ่งที่นักบวชเอาไปได้นี่ เ, เป็นสมบัติที่ถ้าเปรียบเทียบด้วยเงินทองนี่เป็นแสนล้าน เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเพราสิ่งที่ได้จากจิตตภาวานานี้มันให้ความสุขในระดับนั้นให้ความสุขในระดับหมื่นล้านแสนล้านเวลาจิตใจสงบนี้พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยงานภาวานาจึงสําคัญอย่างนี้ อยากจะได้ความสุขระดับแสนล้านต้องมาภาวนากันถ้าความสุขถ้ามีเงินแสนล้านจะไม่ได้ความสุขในระดับแสนล้านเพราะความเงินแสนล้านนี้ไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวให้ความทุกข์มาด้วยให้ความกังวลให้ความห่วงใยให้ความหวาดกลัว มาด้วยเวลาที่มีอะไรมากระทบกับเงินแสนล้านนี่ใจหวั่นไหวขึ้นมาทันทีเนี่ยภาษีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าดอกเบีย้ยตกหรือเปล่าตลาดหุ้นตกหรือเปล่าราคาที่ดินตกหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ที่มีอยู่ข้างนอกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขมาก และยังแถมมาให้ความทุกข์ด้วยแต่ทรัพย์ภายในนี่คือความสุขภายในใจนี่ที่ได้จากการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่จะไม่มีความทุกข์ความกังวลใจเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะมั่นคงถ้าเป็นเงินฝากธนาคารก็รัฐบาลรับรองรับประกันธนาคารล้มก็รัฐบาลจ่ายให้ อย่างนี้ไม่มีแล้วนะธนาคารต่างๆถ้าล้มก็หมดนะมีเงินฝากไว้เท่าไหร่ถ้าธนาคารเจ๊งก็เจ๊งไปกับธนาคารนะรัฐบาลไม่รับประกันเหมือนสมัยก่อนแต่ความสุขที่เราได้จากการภาวนานี่มันมันคงไม่มีวันสูน์สลาย ไม่มีใครมาลิบไปได้ยึดไปได้ขโมยไปได้ไม่มีวันล้มละลายความสุขที่ได้จากจิตตภาวนาเมื่อรู้จักภาวนาเมื่อรู้จักวิธีทำใจให้สงบได้ก็สามารถทำให้มันสงบได้ไปตลอดนี่แหละคือความวิเศษความสำคัญของงานจิตตภาวนาที่พวกเราอาจจะไม่รู้กัน พราะไม่มีใครมาโฆษณากันมีแต่โฆษณาคอนโดกันโฆษณารถเบนซ์กันโฆษณารถเฟอร์รารี่ลอมบอร์กานดีบอเช่โฆษณากระเป๋ า, าเวซ่าเซ่นี <c oughs> ่รู้คุณค้าของนี้โอ้ยรู้ราคามันไใบละกี่หมื่นกี่แสนนี่รู้หมด นาฬิกาเนี่รู้หมดนาฬิกายี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่เพชรเพชรร้านนี้ขายราคาเท่าไหร่สร้อยกำไลแหวนอะไรราคาพวกนี้มันมีคนโฆษณาให้พวกคนที่ซื้อมาก็ไปโฆษณาให้เนยฉันมีแหวนอย่างนี้ฉันมีสร้อยอย่างนี้ฉันมีรถอย่างนี้ มีคอนโดอย่างนี้มีบ้านอย่างนี้มีคนคอยโฆษณาของพวกนี้ให้พวกเราได้ยินก็เลยน้ำลายไหลกันแต่ไม่มีใครมาโฆษณาเรื่องคุณค่าของจิตตะภาวนาว่ามันวิเศษวิโสขนาดไหนว่ามันดีมันเลิศกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะคนที่ได้สัมผัสกับ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันมีน้อยแ้วบางทีก็ไม่เก่งทางด้านการตลาดโฆษณาไม่ค่อยเป็นคนก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่เห็นความสาคัญของการบาเพ็ญจิตตภาวนากันไม่รู้ว่านี่แหละคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่รู้ว่านี่แหละคือนัติสันติปรังสุขขงัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอยาอให้คนได้กระเป๋าเวอร์ซาเซ่มาร้อยใบพันใบได้รถปอเช่มาร้อยคันพันคันความสุขที่ได้จากของเหล่านี้ก็สู้ความสุขที่ได้จากนัติสันติพลังสุขขังไม่ได้เนี่ยเพราะความสุขอันนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงขอให้คุณได้อะไรมากมา ก, มากน้อยเพียงไรได้เงินมาหมื่นล้านแสนล้าน ได้คอนโดมากี่คอนโดได้กตึกมากี่ตึกเป็นเจ้าของตึกกี่ตึกมีพื้นมีที่กี่ร้อยไร่กี่พันไร่มีสนามกอล์ฟกี่สนามมีเครื่องบินกี่เครื่องกี่ลำของพวกนี้เมื่อมารวมกันแล้วนี่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้นัตติสันติบาลังสุ ข, ขังเอันนี้แหละ ขอให้พวกเราจำไว้แล้วพย า, าพยามพิจารณากันอย่าให้ความหลงความโง่มันมาคอยหลอกเราให้ไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่จะมีความทุกข์มาให้เวลาที่ต้องสูญเสียเวลาที่ต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราไป นี่แหละเปรียบเทียบกันดูเวลาแก่นี่เป็นยังไงถ้าอาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆที่หามาได้มันจะอาศัยไม่ได้นะเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาพิกลพิการนี่จะทำอะไรสัก ท, ทีแสนยากแสนลำบากจะหาความสุขจาก สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่แบบที่เคยหามาก่อนนี่ทําไม่ได้หรือทํายากอืมแต่ถ้าเรารู้จักภาวนานี่เวลาแก่เวลาเจ็บนี่ไม่มีปัญหาเราสามารถภาวนาได้เหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเอเพราะการภาวนานี่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาเราสามารถผลิตความสงบได้ตลอดเวลาเราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆได้ตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์อะไรเข้ามาให้เราโปวดหัวกันเลยไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ นอกจากมันจะให้ความสุขกับเราแล้วมันยังให้ความทุกข์ความปวดหัวกับเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวให้นั่นก็เสียเดี๋ยวใหนี่ก็เสียเดี๋ยวให้นั่นก็หายมีล้วนแต่มีเรื่องมีราวให้คอยมาแก้อยู่เรื่อยๆเพราะของต่างๆในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจงมันไม่เทีย่ยงมันไม่เหมือนเดิมเราซื้ออะไรมานี่เราอยากจะให้มันเหมือนเดิม ใช้ได้ไปได้เรื่อยไม่มีปัญหาแต่พอเกิดมีปัญหาขึ้นมาปั๊บนี่ทำให้เราปวดหัวแล้วเดี๋ยวต้องเอาเขาไปที่ร้านให้เขาซ่อมแล้วให้เขาดูแลเขาดูให้สองสามวันเอากลับมาใช้ได้สองสามวันเอาเป็นอีกละเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็อยากจะคืนให้เขาไป เขาไม่ยอมคืนก็เลยต้องเอาไปทุกข์ให้ที่หน้าล้านเขาเนี่ยแหละความสุขกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมากเป็นน้อยเป็นบ่อยหรือไม่บ่อยแต่มันต้องเป็นอย่างแน่นอนเพราะธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเสื่อมมันจะต้อง มันก็จะต้องเลวลงไปเรื่อยๆคุณภาพคุณสมบัติต่างๆของของที่เราได้มาคุณสมบัติคุณภาพของมันจะลดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้เราก็ต้องโยนทิ้งไปเราก็ต้องไปหาอันใหม่มาแทนมาใช้ใหม่ หามันอันใหม่ก็แบบปันเก่าเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็มีปัญหาเหมือนเดิมนี่คื อ, อสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มาภาวนากันเราจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่จะต้องคอยสร้างความปวดหัวให้กับเราอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของหนือว่าเป็นคนคนก็เหมือนกัน คนก็เสื่อมเหมือนกันเปลี่ยนได้เหมือนกันเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีจะจ๋าครับผมพออยู่ไปนานๆ้ามึงกูขึ้นมาเนี <c> ่ย <oughs> เปลี่ยนไปแต่เราไม่เคยคิดกันเราคิดว่าจะ จ, าจ๋ากันไปเรื่อยๆ <c oughs> จะจะดีไปเรื่อยๆ พอไปเจอมึงกูขึ้นมานี่ร้องห่มร้องไห้กันออกลายเป็นคู่ต่อสู้กันกลายเป็นเวทีมวยลุมพินีขึ้นมาอนนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไป มันจะทำให้เราต้องเสียใจจะต้องทำให้เราผิดหวังเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้กันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันต้องเป็นอย่างนี้คนที่มีดวงตาเห็นธรรมเขาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาย่อมมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาคนที่เห็นอย่างนี้แล้วก็ถอน ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ถอนตัวออกจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองถอนตัวออกจากราบยศสรรเสริญพระพุทธเจ้าเคยเป็นราชโอรสเห็นไหมมีภาษาสามฤ ด, ดูมีบาลศัท์มีบริวารมีแก้วแหวนซร้อยอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่พระองค์ก็ทรงเห็นด้วยปัญญา มีการเจริญก็จะต้องมีการเสรื่อมงั้นสู้ถอยออกก่อนที่มันจะเสื่อมดีกว่าเอาใจเจ้าเลยไปบวชตั้งแต่อายุยี่สิบเก้านะไม่เหมือนคนสมัยนี้มักจะพูดว่าเดี๋ยวผมหกสิบเจ็สิบแล้วผมจะไปค่อย่อยไปบวชตอนนี้ผมขอหาเงินหาทองหาความสุขก่อนเพราะตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่ถ้ามันพูดอย่างนี้หกสิบเจ็ดสิบมันก็ไปไม่ได้ถ้ามันติดแล้วมันออกยากแล้วถึงเวลานั้นมันก็ไปไม่ไหวแกแล้วจะไปบวชได้ไงเพราะการบวชนี่มันต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างไม่มีคนรับใช้ไม่มีเด็กรับใช้สมัยพุทธกาลนี่เขาไม่มีเด็กรับใช้พระหรอก ก็มีแต่เขาไม่ได้มารับใช้เป็นการส่วนตัวมารับใช้ในกิจที่พระทำเองไม่ได้เท่านั้นเช่นบินตาบาทอาหารมันเยอะอยถือไม่ไหวเขาก็มาช่ว ย, ยแต่ถ้าไปบินตบาทตามลำพังสำหรับตนเองก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยพอมันเต็มบาทก็กลับวาดได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องภาร ก, กิจ มันเต็มแล้วแต่ยังมีคนจะใส่อยู่มันก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปไม่ใช่อยากจะได้แต่มันเป็นคล้ายๆว่ามนันเป็นเป็นเป็นภารกิจไปเมื่อมีคนเขาต้องการจะใสจะไปปฏิเสธเขาก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาใส่ไปเมื่อถือเองไม่ไหวก็ต้องมีลูกศิษย์มีใครมาช่วยเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นกิจปกติทั่วไปทิศ ของต่างๆต้องทำเองหมดกว่าถูสาระกุดขวาดถูกุฏิเองซักกีวรเองทำอะไรเองทุกอย่างถ้าเวลาแก่มาบวชนี่มันจะทำไม่ไหวนี่ก็พูดเปรียบเทียบไม่ฟังว่าความสุขทางโลกเนี่ยที่เราได้จากสิ่งต่างๆเนี่ย มันก็ดีในระยะหนึ่งเท่านั้นแะพอเวลาที่ร่างกายเริ่มมีความชราเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บสมรรถภาพความสามารถในการหาความสุขก็จะน้อยลงไปลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนหาไม่ได้โลกที่เขาจเจริญทางวัตถุกัน เขาเลยคิดหาวิธีแก้ปัญหาในด้วยการฆ่าตัวตายกันเมื่อร่างกายมันไม่สามารถทำงานทำหน้าที่หาความสุขได้ก็เลี้ยงมันทาไมเสียเวลาเสียเงินเสียทองฆ่ามันดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่าอย่างนี้จึงมีการออกกฎหมายให้ฆ่าให้ให้ให้หม อ, อฉีดยาตายได้ ถาอยากจะตายก็ไปหาหมอหมอเมื่อก่อนนี้มีไว้สำหรับรักษาชีวิตเดีย๋ยวนี้จะเปลี่ยนหน้าที่เป็นทำลายชีวิตเขาะจะมีกฎหมายออกมารองรับพออยู่ไปก็ไม่มีความสุขถึงแม้มีเงินกี่ล้านก็ตามก็ไม่สามารถใช้เงินทองซื้อความสุขได้เพราะร่างกายมันมัน ไม่สามารถที่จะอรับความสุขจากเงินทองมาให้กับใจได้แต่ถ้าเรารู้จักภาวนาตั้งแต่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือมีกำลังวังชาเรามาภาวนามาอยู่ที่สงบทำจิตใจให้สงบพอเราทำเป็นแล้วมันก็ทำไปได้เรื่อย ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ทําได้ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ทําได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ทําได้เพราะใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันงานของใจนี้ร่างกายไม่เกี่ยวอันนี้คืองานของใจอย่างแท้จริงงานที่ไม่ต้องใช้ร่างกายมาเกี่ยวข้อง แต่ตอนนี้ใจอยู่กับร่างกายมันก็ต้องไปด้วยกันแต่ไม่ได้เอาร่างกายไปเพื่อไปภาวนาไปภาวนานี้เราไม่ได้ภาวนาด้วยร่างกายเราภาวนาด้วยสติภาวนาด้วยปัญญาร่างกายจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ตามเราสามารถภาวนาได้อันนี้คือ เรื่องที่เราไม่ค่อยคิดกันไม่ค่อยรู้กันไม่เห็นของที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีความสุขมากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราโง่กัน ง, ง่ายงโง่ใจของเรามีความโง่เป็นตัวคอยกากับเป็นผู้กากับอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยความโง่ ความิชาคือความโง่ความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่ตาหูจมูกเิ่นกายก็เลยสั่งให้ใจคิดไปหาความสุขเหล่านี้อวามวิชาปัจจยาสังขารา ความโง่สั่งให้สังขารคือความคิดปรุงแต่งให้คิดไปหานามกับรูปรูปกับนามก็คือขนันธ์ห้าก็คือร่างกายร่างกายาร่างกายกับขันธนามมาขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ไปปรุงแต่งไปหาตาหูจมูกลิ้นกายพร ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้พอาตาไปสัมผัสกับรูปเสียงสัมผัสกับหูหูสัมผัสกับเสียงก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นม า, ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นม า, าถ้าสุขก็เกิดตัณหาขึ้นมาอยากจะได้มากขึ้น อยากให้มันมีสุขมากๆสุขไปนานนเนถ้าทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็เกิดอุปท า, านได้อะไรมาก็ยึดติดติ ด, ตดสุขกันติดสุ ข, ขเวทนากพรพอสุขเวทนาหมดก็ต้องไปหามาใหม่ก็เรียกว่าเป็นสร้างภาวะขึ้นมาใหม่สร้างพบขึ้นมาใหม่ เมื่อเมื่อทนสุขที่ได้จากร่างกายอันนี้หมดไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้หาความสุขแบบนี้ต่อไปก็เลยมีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาเนี่ยที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของกิเลสที่ใช้ขันหานี้เป็นตัว เป็นเครื่องมือกิเลสอวิชชาสั่งให้สังขารที่เป็นนามขันนี่บุงแต่งขึ้นมาสั่งให้ไปหาวิญ ญ, ญาณเพราะวิ ญ, ญญาณจะพาไปหาตาหูจมูกลิ้นกายพอวิ ญ, ญญาณพาไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายก็จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลภภิ่นรสผลตภะพอตา ตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผภัก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกที่ชอบเพราะเราจะไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบที่ให้ความสุขกับเราเที่ให้ความทุกข์ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์ก็วิกําจัดมันเือ ห น, นีมันหันเพไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่จะให้ความสุขพอได้ความสุขก็ยึดติดอุปทานอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆมีไปนานๆพอร่างกายไม่สามารถที่จะหาได้ไปนานๆพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเปลี่ยนพบใหม่ เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็จะได้ต้องไปเกิดใหม่พอเปลี่ยนพบพอได้ร่างกายใหม่ก็เกิดแก่เจ็บตายใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆราบใดที่เรายั ง, งโง่อยู่ดาบใดที่เรายังคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาบยศสรรเสริญคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขที่เราควรจะหากัน เราก็จะวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรยพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขต่างๆมันไม่เทีย่ยงนั่นเองมันเป็นอนิจจังเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันตายความโง่ความหลงความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะพาให้จิตไป ได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ใะช่วงที่ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพราะบางทีคนมันมันจะผิดร่างกายทุกวันทุกแห่งทุกคนดวงจิตดวงใจที่รอรอรับร่างกายมันก็เยอะกว่าผู้ที่ผลิตร่างกายออกมาก็เหมือนกับไปกินอาหารตามร้านอาหารกุ๊กก็ทำได้แค่นี้แหละมีโต๊ะแค่นี้ คนอยากกินก็ต้องรอให้คนที่เขากินเสร็จออกไปก่อนแล้วถึงจะเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะต้องไปเข้าคิวรอรับร่างกายกันช่วงที่รอรับร่างกายนี้ก็เขาก็จะให้ตามร้านอาหารบางทีก็มีที่นั่งให้ดื่มเหล้าไปก่อนให้รอไปก่อน ถ้าในถ้าสําหรับดวงวิญญาณก็มีสวรรค์กับมีนรกให้ไปรออยู่ถ้าทําบุญก็ไปรอในสวรรค์สวรรค์ก็เป็นเหมือนห้องแอร์เย็นสบายถ้านรกก็เป็นเหมือนห้องร้อนห้องซอน้า <c oughs> เป็นอย่างนี้จริงๆฮะจิตใจเวลาร้อนมันก็มันมันก็เป็นนรกขึ้นมา จิตใจเวลาเย็นมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาตายไปนี่ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะผลิตความเย็นมากกว่าความร้อนถ้าบาปมีมากกว่าบุญมันก็จะผลิตความร้อนมากกว่าความเย็นเหมือนกันเลยจิตช่วงที่รอรับร่างกายก็เนี่ยจะอยู่แบบร้อนหรือจะอยู่แบบเย็นจะอยู่แบบสุขหรือจะอยู่แบบทุกข์ อยู่แบบสุขก็เรียกว่าสวรรค์เป็นเทพกันอยู่แบบร้อนก็เป็นอบายเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกกันพวกที่ใจร้อนถ้าเป็นยังรอรับร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถ้านอนก็ต้องไปรับร่างกายของเดรัจฉานก่อนไปเป็นตุกแกตุกแกไปเป็นจิ้งจบไปเป็นอะไรต่างๆ พวกใจเย็ยนก็รอเป็นเทวดาดีกว่ารอให้มีร่างกายมนุษย์แล้วค่อยไปเอาร่างกายมนุษย์พวกใจร้อนนี่บางทีรอไม่ไหวครับไปเอาร่างกายของงูมั่งของเป็ดของของหมาของแมวของนกของอะไรต่างๆอเพราะพวกนี้มันได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าเนี่ยสัตว์มันมีมากกว่ามนุษย์เกือกี่ล้านเท่า เวลามันออกลูกทีมันออกไม่ได้ทีละตัวสองตัวเนี่ยมันออกมาเป็นอคอกเป็นฝูงอะพวกใจร้อนก็ไปเอาร่างกายของเดลฉานก่อนพวกใจเย็นก็ไม่ไปดีกว่าอยู่เฉยๆเย็นสบายอยู่แล้วม่ลอเอาร่างกายของมนุษย์ดีกว่าอ่เนี่คือความแตกต่างของดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณ ทีเวลาตายไปแล้วมันจะร้อนหรือมันจะเย็นทำบุญแล้วมันจะเย็นทำบาปแล้วมันจะร้อน <c oughs> แต่ยังไงก็ตามก็ต้องมาในที่สุดก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็พอลืมตาขึ้นมาก็หารูปเสียงกลิ่นลดทันทีแม้เด็กตัวเล็กๆมันยังอยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่แม่ต้องหาอะไรมาแขวนไว้ที่บนเปลม่เวลานอนมองขึ้นไป จะได้เห็นอะไรอมีเสียงดังกุ้งเก้งกุ้งเก้ ง, กงจิตมันหิวตั้งแต่เป็นทารกแล้วหิวลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆพอไม่มีอะไรมันเดี๋ยวมันร้องไงเด็กมันร้องแต่พอมีอะไรให้มันดูหน่อยเวลานอนในเปลแล้วมองขึ้นไปมองเห็นอะไรลอยอยูอ่ได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงอะไรฟังแล้วเพลิดเพลินะ แฮปปี้ก็เลยไม่ร้องนะพ่อแม่เลยต้องซื้อของเล่นมาให้มันเล่นอยู่เรื่อยๆพอโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องมีของเล่นเพิ่มขึ้นะมีอะไรให้มันเล่นอยู่เรื่อยๆเพราะใจมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะอยู่เรื่อยๆแล้วพอโตขึ้นเหมือนก็เริ่มหาพอหาเองได้มันก็ไปหาเองกันแล้วอยากจะมีแฟนกังก็ไปหาแฟนกันเลยนะ มีแต่พ่อแม่ต้องคอยเบรคไว้อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งเร็วเกินไปยังไม่ถึงเวลาอย่างเลี้ยงตัวเองไม่ได้อย่าพึ่งไปมีแฟนเดี๋ยวเกิดมีลูกแล้วจะลาบากเดี๋ยวต้องมาเลี้ยงลูกอีกแต่กิเลสมันไม่รอใครฮะกิเลสมันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนติดยาเสพติดนี่มันรอไม่ได้เวลามันหิวแล้วมันทรมาน ต้องมีอะไรมาให้มันเส็บมันถึงจะหายทรมานไปเป็นพักๆนี่แหละคือผลที่เกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่นัตติสันติพลังสุขขังเอความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ความสงบที่เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาที่เกิดจากการมาอยู่วัดจําสิลกันอันนี้แหละเป็น สิ่งที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่จะทำให้จิตเราไม่ต้องไปปรุงแต่งหารูปเสียงกดลดิ่นรสไม่ต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายกันเป็นความสุขที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วรอใจให ให้ปะให้มันปรากฏขึ้นมาทั้งเองตอนนี้สิ่งที่มันปิดบังความสุขอันนี้ก็คือความหลงที่ไม่เปิดมันเองมีความสุขอยู่ในตัวแต่ความหลงมันหลอกให้ไปหาความสุขนอกตัวความสุขมีอยู่ในใจหลอกให้ไปหาความสุขที่อยู่นอกใจที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขปอมเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ไปเป็นความสุขที่จะหลอกให้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเครื่องมือที่ใช้หาความสุขก็เป็นเครื่องมือเชือกชั่วคราวเดี๋ยวเครื่องมือคือร่างกายหมดสภาพตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ก็จะต้องติดอยู่กันการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมันความสุขต่างๆเหล่านี้ไม่มีคำว่าพอไม่ได้มีคำว่าอิ่มเพราะมันไม่อยู่กับใจไปตลอดมันอยู่เดียววเวลาได้มามันเพียงแค่ชั่วร ะ, ะยะหนึ่งไปเที่ยวนี้สนุกกันใช่พอกลับมาบ้านหายไปหมดแล้วยังต้องไปใหม่ยังต้องออกไปใหม่เลย ว น, นี้ไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเงินไม่ต้องไปทำงานก็ไปเที่ยวอกีกมันจะต้องไปอยู่เรื่อยๆว่าเป็นความสุขที่เป็นระยะสั้นเป็นความสุขชั่วคราวต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการภาวนาอันนี้พอเติมเต็มแล้วมันจะเต็มไปมันไม่แบบมันไม่มีบกพร่อง มันไม่มีการเสือ่อมไม่มีการหมดตามผลเดียวจบแล้วไม่ต้องมาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ต้องมาเหนื่อยกิจทางภาวนานึงเป็นกิจที่มีวันสิ้นสุดลงคนที่สำเร็จงานนี้ท่านจะกล่าวว่าวุฒิสิตังบ ร, รมัจารยังแปล ว, ว่ากิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว กิจของการภาวนานี่ได้สำเร็จแล้วจบแล้วกิจอื่นไม่ต้องไม่มีกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปถ้าทำกิจอันนี้สำเร็จแล้วจะได้ความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเมื่อมันไม่หมดไม่เสือ่อมจะต้องไปหาความสุขที่ไหนมาเติมเหมือนถ้าน้ามันเต็มตุ่มแล้วจะไปหาน้ามาเติมอีกกิจกี่ขันกี่ กับปีบมันก็เติมไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เติมน้ำมันเต็มตุ่มแล้วก็หยุดเติมน้ำกันแต่ความสุขทางโลกมันเป็นแบบเติมน้ำในตุ่มที่มีรอยรั่วเขานี่ไหมแล้ก็ไปปั๊บเต็มเดี๋ยวชั่วโมงนึงกลับมาดูเอาหายไปไหนหมดแล้วหรือว่าซึมไหลออกไปหมดแล้วอา่าต้องเติมใหม่ะพอเติมเต็มปั๊บเดี๋ยวอีกชั่วโมงกลับมาดูอ้าหมดอีกแล้ว ทำไมไม่ไปเช็คดูว่ามันรั่วตรงไหนไปอุดรอยรั่วสิถ้าอุดรอยรั่วแล้เติมผลเดียวมันก็จะไม่มีต้องมาคอยเติมอยู่เรื่อยๆความสุขทางโลกนี้มันก็เหมือนกันมันมีรอยรั่วถ้าอยากจะให้มันไม่รั่วต้องไปอุดรอยรั่วไอ้สิ่งที่ทำให้มันรั่วก็คือตัณหาความอยากนี่ถ้ามีตัณหาความอยากต่อให้ได้มาเท่าไหร่ มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันจะอยากไปเรื่อยๆไอ้แม่ได้น้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมืน่นมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าหยุดความอยากได้อุดรอยรั่วได้คือไม่อยากได้อะไรได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นมันก็เต็มทันทีมันก็สุขเต็มที่ขึ้นมาทันทีสุกในใจนี้ก็เหมือนกัน ส่วนในใจที่เกิดขึ้นมาได้เต็มร้อยก็เพราะว่ า, ามีการอุดลอยรั่วในใจอุดความอยากต่างๆพออุดหยุดความอยากต่างๆได้ความหิวของใจก็หมดไปความสุขก็จะอยู่กับใจไปตลอดความอิ่มก็จะอยู่กับใจความอิ่มกับความหิวนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้พร้อมกันไม่ได้มันต้อง ผัดกันทำหน้าที่ถ้าอิ wow euh, ่มมัน <lobster> ก็ไม่หิวใช่ไหมถ้าหิวมันก็ไม่อิ่มยันวิธีที่จะทำให้ความหิวมันหายไปก็ทำให้มันอิ่มเนี่ยพอทำมันอิ่มแล้วต่อไปมันก็จะไม่หิววิธีที่จะทาให้มันอิ่มก็ต้องกำจัดความหิวกบจัดความอยากพอไม่มีความอยากมันก็จะไม่หิวพอไม่หิวมันก็อิ่ม ที่มาภาวนานี้ก็เพื่อมากำจัดความหิวนี่ดยหิวดูตัณหาทั้งสามนีที่ทำให้ใจหิวกามตหาตนะหิวในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาหิวหิวในลาบยศสรรเสริญอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาหิวแบบไม่อยากได้ไม่อยากได้ไไดความแก่ไม่อยากได้ความเจ็บไม่อยากได้ความตาย ความหิวเหล่านี้มันทำให้ใจต้องดิ้นไม่สงบไม่มีความสุขพอกําจัดความหิวทั้งสามนี้ได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขแล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปพอหาอะไรมาได้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้ความสุขที่มีอยู่นี้เพิ่มมากขึ้นได้แต่อย่างใดมันเต็มร้อยแล้ว กิจทางจิตตภาวนาที่มีวันหมดไงมันเมื่อมันเต็มร้อยเต็มน้ําเต็มตุ่มแล้วมันก็จบแล้วแต่กิจทางโลกนี้เติมเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะเติมเมื่อเดี๋ยวมันก็อยากได้เพิ่มอีกไหมได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันแนละ้วได้พันก็อยากจะได้หมื่นมันไล่ไปเรื่อยๆจากจากแสนก็ไปล้านจากล้านก็ไปสิบล้านอกีกอ่ ไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปกับมันไม่มีวันหมดอ่ถ้าหาสิ่งในโลกนี้เพราะว่ามันไม่มาอุดความอยากมันไม่มาดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจมีความสงบเท่านั้นแหละที่จะมาดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปที่จะทำให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอเกิดความไม่ต้องการอะไรอีกต่อไป จึงต้องมาภาวนากันถ้าอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่เราไม่ต้องไปคอยหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยเหมือนกับความสุขทางโลกนี่ต้องหามาเติมอยู่เรื่อยมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่อิ่มไม่พอสถทีให้เป็นนายร้อยก็ดีใจไม่กี่วันเดี๋ยวอยากจะเป็นนายพันขึ้นมา พอได้เป็นนายพันก็ดีใจไหยไม่กี่วันนี่ก็อยากจะเป็นนายหมื่นขึ้นมานายพลขึ้นมาละมันจะไม่มีวันพอใช่ไหมเป็นนายพลแล้วก็อยากจะเป็นหัวหน้านายพลไหมพอเป็นหัวหน้านายพลแล้วทีนี้ก็อยากจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วเนี่ยมันอยากไปเรื่อยๆหเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดไม่ว่าใครนะไม่ว่าใครก็ตามเป็นเหมือนกันหมดอะใครลองไปอยู่ใน สถานการณ์นั้นมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนถ้าไม่มีความสงบภายในใจแล้วมันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแม้แต่เรานี้ถ้าให้เราไปเป็นก็เหมือนกันถ้าเป็นนายร้อยเดี๋ยวเราก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันเราก็อยากจะเป็นนายพลพอเป็นนายพลก็อยากจะเป็นผอบอทอบอลพอเป็นผอบอทอบอก็อยากจะเป็นนายกเลยมันไม่มีวันพอหรอก ไม่ว่าใครก็ตามอันนี้ไม่ได้ว่าคนนั้นคนนี้พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังนั่นน้นให้เห็นภาพแต่เป็นด้วยกันทุกคนคนที่ยังไม่เจอความสงบนี้จะต้องหิวแบบนี้ไปแล้วตายไปก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มเป็นนายสิบนายร้อยใหม่ตายเต้าขึ้นไปใหม่แล้วอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะมันมันมีคนแย่งกันเยอะในตำแหน่งนี้ เป็นนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี่มันเป็นได้ทีละคนแต่คนอยากเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนเห็นเกิดมาแต่ละครั้งไม่ไม่ไ้หมาเขาว่าจะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตทุกครั้งไปนี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้เอาสิ่งที่ทำให้เราอิ่มเราพอ เือเอาสิ่งที่ทำให้เราหิวเราอยากไปถ้าหาราบยศจะรเสิรินหาความสุขทางรูปเสียงกดลดิ่นรสมันก็จะหิวจะอยากไปเรื่อยๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ความอยากหายไปได้มีแต่เสริมความอยากให้มีมากขึ้นใช่ไหมได้สิบก็อยากจะได้ร้อยขึ้นมาได้ร้อยก็อยากจะได้พันขึ้นมาเราก็ไม่สามารถ รักษามันไว้ได้เดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปหมดแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่ทำให้เราพอจะไม่มีความสุบระดับร้อยระดับพันพอมันเต็มร้อยแล้วมันก็จบตรงนั้นไม่มีมากไปกว่านั้นพอได้ความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วมันก็หมดมันก็ไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันหมดไม่มีวันพร่อง <c oughs> ไม่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาเป็นเครื่องมือเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายในชีวิตนี้ในชาตินี้ถ้ามีความอิ่มใจสุขใจแล้ว ใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเสิตายอย่างใดเหมือนกับคนที่ไม่ต้องใช้รถยนต์นะเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องใช้รถยนต์รถยางยางจะแตกเหม้อน้ำจะรั่วสตาร์ทไม่ติดทิงเมนเดือดร้อนเนี่ยก็ปล่อยมันทิ้งมันไว้ไปไม่ต้องออกไปซ่อมไม่ต้องไปอะไรใช่ไมเพราะไม่ต้องใช้มันนะแต่คนที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหน ป่อยไว้เฉยๆได้ไม่ได้พอสตาร์ทไม่ติดนี่ต้องเรียกช่างมาแล้วให้มีอะไรมาจำหรือเปล่ามาเช็คดูหน่อยสิเป็นแบบหรือเป็นใดหรือเป็นอะไรยางแต่ก็ต้องเปลี่ยนยางอันนี้ก็แบบเดียวกันคนที่ไม่ใช้ร่างกายแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายคนที่ยังต้องใช้ร่างกายนี่เดือดร้อนมาก เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี่ไม่สามารถทำอะไรตามที่ต้องการได้ก็อยากจะเปลี่ยนมันเร็วๆก็ฆ่าตัวตายกันนะ อ, อ่ะเพราะใช้มันไม่ได้อยู่กับมันไปทำไมคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วปัญหามันจะจบมันก็จะจบเดียวๆจบชั่วขณะที่ไม่มีร่างกายนี้แต่ความอยากที่จะใช้ร่างกายมันไม่หมดไป มันก็จะเดึงให้ไปรับไปหาร่างกายอันใหม่พอมาเกิดมันก็จะมาแก่มาเจ็บมาตายแบบเดิมอีกมันก็จะกลับมาแก้ปัญหาแบบเดิมอีกชาติก่อนเคยฆ่าตัวตายชาตินี้มาก็จะฆ่าตัวตายต่อพอเจอปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่านี่เป็นการแก้ปัญหาแต่มันการแก้ปัญหาเฉพา ะ, ะเฉพาะกิจเท่านั้นแก้ปัญหาตอนนั้น อันนี้ความความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายไปแต่เดี๋ยวก็ต้องไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็จะมาเจอปัญหาแบบเดิมอกีกก็ต้องมาแก้อย่างนี้ เงั้นจะเกิดมาอย่างไรก็ไม่ดีงั้จะตายไปแบบไหนก็ไม่ดีเหมือนกันตายแบบไม่ฆ่าตัวตายก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้าไม่ได้ฆ่ากิเลสถ้ากิเลสไม่ตายถ้าตัณหาความอยากยังไม่ตายก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราที่ผ่านมานี่มันมากมายจนเขียนด้วยตัวเลขไม่ได้ ถ้าอยากจะรว่ามากน้อยเพียงไรให้วัดที่น้ําตาที่เราหลัง่งแต่เร า, เาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันนี่น้าตาที่เราเคยหลั่งมาแล้วนี้มันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรคิดดูว่าจะต้องเกิดมาร้องไห้กี่กี่ชาติกี่ครั้งกันถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรแล้วมันจา มีต่อไปอีกด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ถ้าไม่มาทำงานจิตตภาวนามันจะต้องไปต่อจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต้องไปหลังน้ำตาต่อไปเรื่อยๆอจะหยุดก็ต่อเมื่อเรามาให้ความสำคัญต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนา ม, มาหัดนั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกัน การฝึกสมาธินี่ใหม่ๆก็ทําแค่ห้านาทีสิบนาทีไปก่อนก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าพอนะไม่ไม่พอนะเหมือนตัดน้ําช้อนหนึ่งใส่ต่มแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็ต้มน้ำมันก็จะเต็มเองมันไม่เต็มหรอกนั่งสมาธิครั้งละห้านาทีสิบนาทีวันก่อนมีคนมาเล่าว่าเดี๋ยวนี้นั่งนะนั่งสมาธิได้สิบนาทีโอ้ดีใจใหญ่ กอดีอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ความจริงต้องนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนมันถึงจะเต็มตุ่มได้ความสงบมันถึงจะเต็มมันจะต้องไม่ให้มีช่องว่างต้องไม่มีช่องว่างที่ทำให้จิตไม่สงบจิตต้องสงบตลอด24ชั่วโมงเวลามันไม่สงบก็ต้องภาวนาทันทีพอมันสงบก็หยุดภาวนาได้ พอมันเริ่มไม่สงบเองก็ต้องภาวนาต่อต้องทำไปอย่างนี้จนในที่สุดมันจะสงบอย่างต่อเ น, นื่องเอละอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าสาเร็จแต่เริ่มห้านาทีสิบนาทีนี้เป็นเพียงเป็นการชิมชิมชิมรสแห่งธรรมไปก่อนแล้วนั่งห้านาทีไม่ว่าจะสาเร็จนะไม่สงบนะเพียงแต่ได้นั่งเฉยๆห้านาทีสิบนาทีก็ดีใจแล้ว ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนั่งเฉยๆเลยนั่งเฉยๆไม่เป็นนั่งเฉยๆแล้วหมดหงิดลำคาหต้องหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังเห็นไหมเวลาไปหาหมอไปรอหมอนี่เดี๋ยวเ็าต้องมีหนังสือให้อ่านบ้างมีทีวีให้ดูบ้างเหตนเดี๋ยวคนไข้จะเป็นบ้าไปก่อนเพราะไม่เคยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่เป็น ใจมันดิ้นไปตามความอยากอยากกับรูปเสียงกลิก่นรสอยากจะดูรูปเสียงกลิก่นรสรูปเสียงกลิก่นรสที่เห็นอยู่ตอนนี้มันเบื่อแล้วต้องเปลี่ยนรูปเสียงกลิก่นรสใหม่แต่แม้มันถึงต้องมีรูปที่คอยวิ่งอยู่ได้เลยเพราะดูภา พ, พยนตร์นี่มันเพลินเพราะรูปมันวิ่งถ้าดูรูปนิ่งดูเดี๋ยวเดียวมันก็เบื่อถ้าดูภาพนิ่งดูเดี๋ยวเดียวมันก็เบื่อแต่ถ้าดูภาพเคลื่อนไหวนี่มันไม่เบื่อเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าดูสามเอกรอบหนึ่งก็เบื่อได้เพราะมันจำได้แล้วว่าเคยเห็นรูปนี้มาก่อนนะนี่คือธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนี้มันอยากจะหาของแปลกๆใหม่ๆมาดูอยู่เรื่อยๆของเก่าๆของจำเจมันไม่มีความผูกพันมันไม่มีความยินดี มันเลยต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆหาของใหม่อยู่ เ, เ, เรื่อยๆกระเป๋าใบเก่าใช่ไปสักพักก็เบื่อพอเห็นกระเป๋าใบใหม่อยู่ที่ร้า น, นยอยากขึ้นมา ท, าทันทีอยากได้ขึ้นมา ท, าทันทีไอ้กระเป๋าใบเก่านี่เมื่อก่อนมันก็อยู่ที่ร้านเหมือนกนันก็อยากได้เหมือนกันทําไมไม่เอากระเป๋าใบเก่าไปแขวนไว้ที่ร้าน <laughs> เผื่อจะอยากได้ <laughs> พอมันอะไรจําเจแล้วต่อให้มันวิเศษยังไงมันก็ไม่เอาล่ะ อาหารที่วิเศษขนาดไหนจานโปรดขนาดไหนเราให้กินซ้ำๆอยู่สักเดือนหนึ่งเลยเดี๋ยวไม่เอาละพอละเบื่อนี่ยนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขที่น่าเบื่อเอาได้มาใหม่ๆก็โอ้ตื่นเต้นดีใจหลงไหลไปกับมันเล่นกับมันไปสักพักเดี๋ยวพอเบื่อแล้วนี้ไม่แตมนะมันแล้วเห็นไห โทรัพซื้อมาใหม่ๆเนี่ทั้งวันทั้งคืนกดดูมันได้ใช้ไปสักพักพอรู้เรื่องของมันหมดน้ําเบื่อแล้วนี่นี่แหละคือความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่น่าเบื่อความสุขที่จะมีความเบื่อตามมาอต่อให้วิเศษขนาดไหนแพงขนาดไหนก็ตามเอได้มาสักพักก็เบื่อใชไหมพวกคนรวยซื้อรถราคา สิบล้านมนาะใช้ไปไม่กี่วันก็เบื่อแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไปซื้ออีกคันใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของถูกของแพงเด็กก็เหมือนกันทำไมซื้อของเล่นให้มันมันเล่นไม่กี่วันมันก็เบื่อแล้วขอของใหม่เล่นอีกละนี่แหละคือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันให้ความสุขแบบหน้าเบื่อพอมนได้มาปั๊บหนึ่งพอ พอชินกับมันแล้วจําเจแล้วมันก็กลายเป็นของเบื่อหน้าเบื่อขึ้นมาต้องหาของใหม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็หลงถ้าเราหลงตามมันแล้วก็ต้องตะคุบเงาไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งตะคุบหัวเราเห็นไหมเงามันหัวเงาหัวเรามันทอดอยู่ข้างหน้าลองไปไล่จับเงาหัวเราดูเลยได้จับมันไม่ทันหรอกพอมันอยู่ตรงนู้นเราวิ่งไปตรงนู้นเอามันไปตรงนู้นต่อละ นี่คือความอยากมันเป็นอย่างนี้พอได้นี่ปั๊บมันอยากได้นู่นต่อแล้วพอได้นู่นก็อยากจะได้นั่นต่อละไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดสู้มาหยุดมันดีกว่าหยุดความอยากแล้วมันก็จะมันก็จะหมดปัญหาความน่าเบื่อก็จะหมดไปความอยากได้สิ่งต่างๆก็จะหมดไปอยู่เฉยเฉยก็มีความสุขได้เนี่ยการภาวนา น, นี่ความจริงก็เพื่อมาหยุดความอยากนเอง หยุดความอยากก็ต้องหยุดความคิดเพราะความคิดเป็นเครื่องมือของความอยากถ้าไม่คิดมันก็ไม่อยากพอคิดปั๊บมันก็อยากขึก้นมาตอนต้นก็หยุดความคิดก่อนแต่หยุดความคิดยังไม่ได้หยุดความอยาก uncovered. อยาก่างท้าวรนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดไปคิดเรื่องที่เคยอยากมันก็อยากขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้มันเลิกคิดในเรื่องที่เคยอยากเวลาคิดถึงเรื่องที่เคยอยากก็ต้องมอง ให้มันคิดในอีกมุมหนึ่งคิดว่ามันเป็นของไม่ดีไปคิดว่ามันเป็นของที่จะทำให้เราทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นว่าของที่เราอยากได้นี้มันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้มันอีก <l ux> ต่อไป olé, ขั้นต้นทัานสอนให้มา ห, หัด ห, หยุดความคิดหยุดความอยากก่อนขั้นที่สองให้สอนใจคิดไปในทางที่จะ <lugares> ทำให้ไม่อยากอยากคิดโดยที่ไม่อยากก็ต้องให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา คือมันไม่สวยไม่งามมันไม่น่ากินถ้าไปคิดว่ามันสวยก็อยากได้ถ้าไปคิดว่ามันน่ากินก็อยากกินต้องไปคิดตอนที่มันไม่น่ากินดูมันเป็นยังไงตอนที่มันเข้าไปในท้องแล้วมันน่ากินนะถ้าคิดถึงคนสวยคนหล่อก็ต้องคิดถึงตับไตไส้พุงเขาเนีอมันก็จะทำให้ไม่เห็นว่าเขาสวยเขาหล่อมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ใจก็จะสงบไปตลอดไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรมีแต่บลมังสุขขังเราเรียกว่านิพพานจิตที่ไม่มีความอยากจิตที่สงบตลอดเวลาจิตที่สําเร็จจิตในในพรหมจรรย์นี้ก็จะได้จิตที่สงบบริสุทธิ์เป็นจิตที่ปราศจากตัณหาความอยาก จิตที่ปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายจิตที่ปราศจากความทุกข์เป็นผลที่จะได้จากการที่เรามาหัดภาวนากันพยายามทำกันเถอไม่มีงานอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์เท่ากับการภาวนานานๆจะมีคนรู้จักงานนี้มาสอนเราสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกเราจะไม่รู้กัน พวกเราก็จะหลงกับการไปหากระเป๋าหารองเท้าหารถยนต์หาคอนโดหาเพชรเนินจินดาหาเงินหาทองกันหามาได้ทลายเดียวในที่สุดก็ต้องเสียไปหมดน้องน้องขมน้องห้เวลาต้องเกิดการพัดพากจากกันแล้วก็ยังต้องไปเกิดใหม่ต่อเพื่อกลับมาหาใหม่อีกกลับมาทุกข์ใหม่อยู่เรื่อยๆฉะนั้นตอนนี้เรามีโชคดีเราไม่ได้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีคนสอนวิธีหาความสุขแบบแท้จริงแบบที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาซ้ำแล้วซ้ำอกีกอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ในตอนนี้ยนพยายามหาเวล า, บ, าบังคับต้องตั้งเป้าถ้าไม่ตั้งเป้ามันไม่มามันมีแต่กิเลส จ, จะคอยดึงไปที่อื่นจะมาภาวนาได้นเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เดือนนี้วันที่เท่านี้เท่านี้จะมาอยู่วัดกี่วันกี่วัน ต้องทำตารางต้องทำกำหนดหมายกำหนดการไว้มันถึงจะมีโอกาสทำได้แต่ไม่ได้หมายก็าจะทำได้นะบางทีตั้งไว้แล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีก็ไดอ้อย่างนี้ก็ยังต้องใช้อีกมาตรการหนึ่งใช้ความศัก จ, จะตั้งใจแล้วต้องทำถ้าทาถ้าไม่ทำถือว่าโกหกตัวเองต้องลงโทษต้องปรับไม่ให้กินข้าวสามวันนี้ ถ้าโดนปากนี้มันจะได้ไม่กล้าไม่กล้าหลอกลวงโกหกหลอกลวงตั้งอะไรไว้แล้วมันจะต้องทำตามเพราะกลัวถูกลงโทษนะอันนเี้ถึงจะสำเร็จได้ไม่งั้นไม่มีวันสำเร็จแม้แต่พระพุทธเจ้ายัางต้องตั้งต้องต้องบังคับเลยว่าจะนั่งนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี้จนกว่าความอยากมันจะหายไปหมดถ้ามันไม่หมดก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไป ถ้าเลือดมันจะแห้งออกจกหมดไปจากร่างกายก็ปล่อยให้มันเหือดแห้งไปแต่ถ้าตราบใดกิเลสตัณหามันยังไม่ตายจะไม่ลุกจากที่นี่ไปเป็นนันขัดเนี่ยต้องมีมาตรการแบบนี้มันถึงจะทำกิจอันนี้สําเร็จได้ถ้าทำแบบตามมาโลโมือรับลองได้ไม่กี่ยกเดี๋ยวก็ลม้มโดนหมัดน็อกโดนหมัดแยบหน่อยก็ถอยแล้วยกมือ ยกธงขาวนับแปดนับสิบไปก่อนนะแต่ถ้าตั้งสัจจะว่าสู้ไม่ถอยตาจะหยุดก็ตายเท่านั้นอย่างนี้มันถึงจะสู้กันได้แล้วเราจะได้ผลงานนี้มันต้องเป็นแบบนี้ต้องเด็ดเดี่ยวถ้าปล่อยไปตามอารมณ์แล้วไม่มีวันที่จะได้ผลไม่สำเร็จอย่างแน่นอนอยากให้สำเร็จนี้ต้องตั้งเป้าแบบพระพุทธเจ้าตั้งเป้าแล้วก็ สู้ไม่ถอยไม่มีวันหยุดหยุดแค่ตอนที่ตายเท่านั้นจะหยุดก็ต้องตายเท่านั้นถึงจะหยุดอย่างนี้มันถึงจะทำสำเร็จได้นะอย่าลืมงานภาวนางานสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีงานอันใดที่จะสำคัญเท่ากับงานภาวนาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะท้าวลรวาหาปูราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวาอิโตถินางเปตานังอุปกัรปติอ an ิชิตังปะิต um ังตุมหังคิป้เมวาจามิจาโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยะามะนีโชติระโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตตสัพพะโรโขวินัสสตูมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังวุฒาปัจจายโน จตารโหทัมมวทานติอายุวันโอสุขังภาณัวันนี้เข้ามาเท่าไรค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กสามร้อยเจ็ดสิบห้าูสองรอยยี่สิบวิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังบนเขาสี่สิบสองรวมทั้งสิ้นห7ร้อยเจ็ดสิบค่ะ ก็ใครมีคำถามก็เชิญถามได้ถ้าอยากจะถามเองก็เข้ามาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็จะมีคนอ่านข้อความให้เชิญ น้มัสมัการพระาพาอาจารย์ค่ะไ ด, ไ, ดได้ยินนะค ะ, ะพระอาจารย์คือโยมปฏิบัตินั่งกระเดินนะคะที่แล้วมันมีความสงบทีนี้คือในเรื่องของความสงบนะคะคือถ้าเกิดว่าจิตเราอยู่สมมติว่าอยู่อยู่กับกองสงบระยะหนึ่งไปเรื่อยๆะค่ะมันก็เพลินนะคะพระอาจารย์ทีนี้มันมันคิดถึงแวบหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเกิด จิตติดหยิบอยู่กับลมหายใจแล้วเวลาเราใกล้ตายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ลมหายใจมันจะดับเราจะวางจิตยังไงกับความสงบตรงนั้นคะ่ะเพราะว่าวางบางอารมณ์ก็คือมันมันก็ว่างให้ให้วางจิตกับความว่างตรงนั้นไหมคะก็รู้เฉยๆไงโอเคค่ะ <Okay. S 2> ให้รู้อะไรเกิดก็เกิดอะไรดับก็ดับเท่านั้นเองมองเฉยๆเหมือน เ, อเรานั่งสมาธิก็มอง อ, อย่างนั้นเลยนะคะดูทุกอย่างแบบนั้นที่ฝึกนี่ฝึกให้จิตเฉยแม่ไปยุ่ง ไม่ให้ไปมีการยึดไปติดหรือไปการอยากอะไรกับสิ่งต่างๆให้ดูว่าเขามาแล้วก็เขาไปเหมือนดูฝนตกแดดออกอย่างเงี้อเห็นไหมเราไม่ค่อยทุกข์กับฝนตกแดดออกใช่ค่ะมันตกเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้แดดออกเราไม่ก็ไม่ได้ดีอกดีใจอะไรไปกับมัน <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างมีเกิดมีดับฝึกจิตให้มองให้เห็นว่า มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาอย่าไปหุ่นวายไปกับสิ่งที่มีการเกิดในการดับปล่อยเขาไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับอย่าไปอยากให้เขาไม่เกิดเพราะมันจะทำให้ใจทุกข์อธิัตินี้เพื่อกำจัดความอยากเหล่านี้ภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอยากให้เกิดก็เป็นภวะตัณหาอยากให้ดับก็เป็นวิภวะตัณหา ก็ข้อ<ม>ที่สองครับพี่อาจารย์พอดีปฏิบัติไประยะหนึ่งก็จะเกิดเวทนาทีนี้ถ้าเวทนาเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในสมาธิมันก็จะเกิดความสงบเราก็ดูมันไปมันก็จะเบาแรงเบาแรงของมันไปนะคะ่ะแต่โยมก็มานั่งคิดอีกว่าถ้าก่อนตอนใกล้ตายเนี่ยคือเวทนามันน่าจะแรงแล้วก็เราเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเราจะวางจิตยังไงครับพร่อาจารย์มันแรงก็ไม่แรงก็เหมือ น, <า>นกันเราก็เหมือนดูลมอ่ะดูเหมือนดูลมค่ะมันแรงก็รู้ว่ามันแรง มันเบาก็รู้ว่ามันเบามันดับก็รู้ว่ามันดับมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดเออหมือนกันใ ห, ให้มองอย่างนั้นเลยใ ช, เออใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นอย่างนั้นให้ใจเราเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มองเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยจะรู้เฉยเฉยมองเฉยเฉยได้ต้องฝึกสมาธิมากๆเพอเวลาจิตสงบมากๆมันจะเฉยเออมันจะไม่มีอารมณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะต้องฝึกให้ได้ระดับนั้นใช่ออะ ่อไปอัปปนาสมาธิแล้วมันจะเฉยอย่างเต็มที่แล้วพอมันรู้จักว่าคุณประโยชน์ของความเฉยเป็นยังไงมันก็ใจพยายามรักษาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วมันก็ยังสามารถรักษาความสงบนั้นได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันไปอยากอย่าปล่อยให้มันไปอยากพออยากว่ามันจะทำให้ความเฉยนั้นหายไปพออยากก็ต้องใช้ตายลักมาดึงมันไว้ อย่าไปนะไปแล้วทุกข์นยอย่าไปอยากนะอยากแล้วทุกข์นอพอเห็นว่าทุกข์ก็หดตัวเข้ามาหดเข้ามาอยู่ที่อุบเบกขาต่อไปอค่ะขอบคุณครับาอาจารย์เชิญถามาำถามทางบ้านค่ะคำถามจากคุณเห็นทุกข์เห็นธรรมค่ะ แกลเปียนถามพระอาจารย์ค่ะสมัยก่อนโยมนั่งสมาธิจะกำหนดรู้ตามดูอสุภะเกษาโลมามานานสามปีเมื่อเร็วๆนี้โยมนั่งโดยจิตตามดูลมหายใจพุทโธ ท, ที่ปลาย จ, จมูกไวมากค่ะนั่งมาทุกๆวันก็รู้ลมหายใจมาตลอดแบบนี้โยมทำมาถูกทางไหมเจ้าคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหลงทางหรือเปล่า เร่แต่มาดูทางนี้อีกทางเาไม่ดูเช่นเราไม่ดูเรื่องเงินทองหมดไม่ดูเรื่องแฟนทิ้งเราเดี๋ยวเกิดเงินทองหมดแฟนทิ้งเราเราจะรับกับสภาพได้หรือเปล่าหมแต่มาดูอสุภะมาดูไอ้นี่แต่พอไปเรือไปดูอีกด้านหนึ่งพอด้านนั้นเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็วุ่นวายใจขึ้นมามันต้องมองให้ครบทุกด้านอ่ ไม่ใช่มองแต่ด้านนี้ด้านเดียวเราต้องรู้นอกมองว่าันต่อไปเราจะมีปัญหากับเรื่องไหนอย่างนี้ดีกว่ า, เ, าเราอยู่คนเดียวได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้หรือเปล่าหรือเราอย่างต้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้ถ้าเรายังมีภาวะแบบนี้อยู่เราต้องมาแก้ภาวะล่านี้ด้วย ไม่ใช่โมแต่มาดูอสุภาอย่างเดียวแล้วไม่รู้จะไปใช้กับมันตอนไหนอสุภาษนี่มีไว้ใช้เวลาอยากจะได้แฟนใหม่หรืออยากจะไปนอนกับแฟนนี่มันถึงต้องมาใช้ตัวนี้เพื่อที่จะมาหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ใช่ดูอสุภาษพอแฟนชวนไปนอนก็ไปเฉยเลยลืมสุภาษเลยเหมือนพวกหมอไปผ่าศพไปตาไอพอกลับบ้านแฟนเรียกหน่อยก็ลืมศพไปเลย อย่างเงี้ยดูแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีดูไว้เพื่อให้เอาไปใช้ดับความอยา ก, กต่างๆถ้าดูแล้วไม่เอาไปใช้ก็อย่าไปดูดูก็เหมือนกับไม่ได้ดูเห็นจะมาถามว่าดูถูกหรือไม่ถูกต้องอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าเราดูแล้วเราไม่เอาไปใช้ประโยชน์มันก็ไม่รู้ดูไปทำไมดูไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อที่เราจะได้ไม่มีการารมณ์ เวลาเกิดการอารมณ์เราต้องดับมันถ้าดูว่าสุภาคำถามต่อไปจากคุณจินขอบค่ะกลับนมัส ก, การครับขอเรียนถามครับพิจารณาความอยากในธรรมอารมณ์ทํานองวิธีนี้ในขั้นนี้พอใช้ได้บ้างไหมครับขั้นไหนละ่ะท่านท่านธรรมอารมณ์เป็นยังไงความอยากในธรรมอารมณ์ค่ะพิจารณาความอยากในธรรมก็อย่าไปอยากรรมั้ง อารมณ์ในธรรมธรรมอารมณ์มันจะมาจะไปก็ก็ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีอารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ดีก็ยึดอยากใช้มันดีไป น, นานๆนี่ก็ผิดละพออารมณ์ไม่ดีอยากใช้มันหายก็ผิดละต้องรู้ทันว่ามันเป็นเหมือนเมฆบนท้องฟ้าเวลาเมฆมามันก็บดบงังแสงสว่างมันก็รู้สึกความมืดคึมก็ ม, ม า, มา ใจเราก็เหมือนนะบางวันก็รู้สึกเศร้ามองบางวันก็ผ่องใสะก็ให้มองว่ามันเป็นเหมือนอากาศดินฟ้าอากาศไม่ต้องไปทําอะไรมันให้ดูเฉยเฉยอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันมันดีก็อย่าไปอยากให้มันอยู่เพราะเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนอย่าไปมีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกหรือข้างใน คำถามข้อต่อไปจากคุณนกค่ะพรบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะฝึกความชังที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไรบ้างไม่เห็นไม่เจอไม่มีอะไรกระทบก็สงบมีวิธีแบบง่ายให้หนูได้ปฏิบัติบ้บางคะและแ บ, แบบนี้เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าเจ้าคะความชังกับคนนั้นคนนี้ข อ, อ, อข้างหน้าคะ่ะวิธีที่จะทำให้เราไม่ชังก็องมองคนว่า คนที่เราช่างว่าเป็นเหมือนเด็กสิเป็นเหมือนเด็กทาลกหน้าสงสารเด็กทาลกมันทําอะไรเราไม่ก็ไปชังมันเท่าไหร่พราะมันไายเดียงสามันทําอะไรก็อย่าไปถือสามันมันก็จะไม่ชังมันแล้วต้องงดความอยากในตัวเขาอยากไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้กับเราที่เราช่างเขาก็เพราะว่าเราไปอยาก ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำตามที่เราอยากไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ไปชังเขาเท่นั้นเองเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราเปลี่ยนความอยากของเราแก้ความอยากของเราอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วเราจะไม่ชังเขาแล้วเห็นไหมชาวบ้านที่เราไม่รู้จักไม่เห็นเราไปชังเขาเลยเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรจากเขา แต่พอเราไปอยากได้เรจากชาวบ้านขึ้นมาก็ฉังเขาได้เช่นคนข้างบ้านส่งเสียงดังอยากจะให้เขาเงียบนี้เราก็โกรธเขาแล้วเกลียดเ้าขึ้นมาแล้วแต่เรามองเขาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาไปเหมือนฝนฟ้าอากาศ ด, ดินฟ้าอากาศฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันได้ฟ้ามันจะผ่าจะร้องลั่นยังไงเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ไปมีความอยากกับดินฟ้าอากาศเราปล่อยวางดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้คนข้างบ้านเขาจะส่งเสียงดังไงเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาจะทำก็ปล่อยเขาทำเลยถ้าไม่อยากจะฟังก็เอาอะไรมาอูดหูเราแล้วมก็จบแล้วเห็นไอย่าไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเรามาแก้ที่เราปัญหามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขา ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากใครแล้วเราจะไม่มีวันเกลใครค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณการค่ะนั่งสมาธิเมื่อถึงความสงบพระอาจารย์สอนว่าเหมือนกับตกที่สูงแล้วสงบว่างเปล่าอยากถามว่ามีอาการเตือนก่อนจิตสงบไหมครับเป็นเช่นไรเพื่อเป็นกําลังใจต่อผู้ปฏิบัติว่าใกล้จะสงบแล้วครับมันไม่มีการเตือนนะแบบนี้มันแบบ ฉับพลันเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศนี่มันไม่มีใครเตือนใครมันมีสงบแบบสองแบบไยสงบแบบแบบฉับพลันแบบนี้ไม่มีใครรู้อีกแบบมันแบบค่อยๆสงบอันนี้พอจะรู้อ่าเหมือนเดินเข้าไปในธร้ำพอเข้าไปในธถ้ำยิ่งเลือกเสียงที่อยู่นอกถ้มก็ยิ่งหายไปไกลไปไกลไปมันมีสองแบบสงบแบบสองแบบ ะงบแบบฉับพลันนี้ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดถ้ารู้มันก็จะไม่เกิดถ้าไปคาดไปหวังไปคอยเพ่งไปคอยรอมันมันจะไม่เกิดต้องมีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปโดยไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิน้นอันนั้นเวลามันจะเกิดมันก็พบขึ้นมาเลย คำถามข้อต่อไปจากคุณจตุรนค่ะกลับนมัส ก, การถามหลวงปู่ครับกระผมภาวนาพุทธโธแต่รู้สึกพุทธโธแบบลอยๆกระผมจะค ว, ควรจะภาวนาพุทธโธตั้งจิตไว้ตรงไหนครับก็ อ, อยู่กับคำพุทธโธอย่าไปตั้งไว้ที่อื่นให้ราลึกถึงคำพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันคิดก็กลับมาอยู่ที่พุทธโธอย่าไปสนใจกับความคิดที่มันโผล่ขึ้นมา ให้สนใจอยู่กับคําพุทโธพุทโธพุทโธไปเหมือนฟังเสียงพุทฟังพุทโธฟังเสียงพุทโธที่เราสร้างขึ้นมาด้วยคำความนึกถึงพุทโธและอยู่กับให้อยู่กับคําว่าพุทโธไปมีเสียงอื่นเข้ามาก็อย่าไปสนใจคําถามข้อต่อไปจากคุณพิไลพรค่ะเมื่อเราฝึกไปแล้วจิตเฉยแต่สติยังไม่ดีเลยค่ะเราต้องฝึกพุทโธพุทโธ ดับความคิดอีกใช่ไหมคะเพื่อดับความอยากของเราอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะใช่ต้องฝึกมากทีเดียวสติไม่ใช่แค่ทำแค่ห้านาทีสิบนาทีมันต้องพยายามทำทั้งวันทั้งคืนช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันจะไปคิดเพเ้อเจอก็ดึงมันให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปคำถามข้อต่อไปจากคุณนาวินค่ะ ถ้าพ่อแม่ของเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรกับท่านที่จะไม่เกิดการล่วงเกินครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับเราอยู่กับท่านมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นมีการล่วงเกินเลยตอนเป็นเด็กเราเรอยู่กับท่านมาไม่เห็น ต, ต้องไปล่วงเกิเนเลยท่า <c> น <oughs> ก็อยู่แบบเด็กไปเไม่รู้ไม่ชี้ไปท่านจะร้อนจะเย็นก็เรื่องของท่านขอให้ท่านให้มีให้เราอยู่มีข้าวกินมีบ้านอยู่เราก็โอเคแล้ว อย่าไปหวังอะไรอย่าไปต้องการอะไรจากท่านมันก็ไม่มีปัญหาถ้าไปอยากให้ท่านไม่ร้อนมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาเท่านั้นเองอยู่ที่ความอยากของเราทาไมตอนเด็กๆอยู่กับท่านได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ได้สบายอยู่มาตั้งแต่เกิดไม่ใช่หรือแล้วมามามามีปัญหาตอนนี้ตอนที่มีความอยากท่านั้นอยากไปเปลี่ยนท่านอยากให้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ตัดความอยากของเราทิ้งไปสมัยเป็นเด็กๆไม่ไ ม, ไม่มีความอยากเพราะอยากมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องอยู่อ ย, อยู่อยู่กับยู่อยู่กับท่านดีกว่าไปไปต้องหากินเองอยู่กับท่านท่านเลี้ยงเราก็อยู่กับท่านดีกว่าท่านจะเป็นยังไงก็ปล่อยท่านเป็นไปไม่ใช่เรื่องของเราคําถามต่อไปจากคุณกำมณ์วันค่ะ เวลาเราสวดมนต์ในใจนึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วส่วงบุญให้เขาบุญนี้ถึงหรือเปล่าคะและเราต้องท่องบทกรวดน้ำด้วยหรือไม่คะ อ, อ๋อเนี่ยังไม่เป็นบุญการสวด น, นี่ยังไม่เป็นบุญยังไม่สงบส่งไปไม่ได้ส่งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยากจะส่งอยากจะเป็นบุญต้องใส่บาตรต้องถวายทานพอทำปุ๊บบุญเกิดขึ้นส่งได้ทันที อย่าไปส่งบุญแบบส่วนอันนี้ยังไม่เป็นบุญคำถามข้อต่อไปจากคุณวิชัยค่ะจะมีเวทวิธีอย่างไรที่จะกําจัดความน้อยเนื้อต่ําใจเจ้าค่ะก็ลดอัตราตัวตนเราเสียอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนที่ควรจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้อันคิดว่าเราเป็นแก๋วเราเป็นคนรับใช้เขาให้เรามีข้าวกินมีบ้านอยู่ก็โอเคแล้ว เรามีหน้าที่รับใช้เขาต้องการจะสั่งอะไรเราเราก็ยินดีรับคำสั่งไปทำตามทุกอย่างแล้วเราก็จะไม่มีความน้อยเนื้อต่าใจเพราะเราทาใจเราให้ต่ำที่สุดแล้วเมื่อมันต่าสุดแล้วมันจะลงไปต่ากว่า น, นั้นไม่ได้แล้ ว, ลวใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้เราทำใจเป็นปัฏิพีนะเป็นแผ่นดินดินนี้มันต่าสุดแล้วใช่กายจะเหยียบยินดินก็เชิญเลย ใครอยากจะขุดดินก็เชิญเลยใครจะปัดสวะอุจจาระใส่ดินก็เชิญเลยดินยินดีต้อนรับเสมอดินไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรจากใครคำถามต่อไปจากคุณพนิรัฐค่ะกราบนรสการค่ะพระอาจารย์เมื่อวานโยมไปงานรดน้ำศพแล้วได้พิจารณาทำให้เข้าใจว่า มีแต่มันไม่จริงคือรูปที่เห็นมีจริงแต่สุดท้ายก็ต้องหายไปจะทำใจอย่างไรเมื่อเห็นทุกข์เช่นนี้คะก็ทำใจเฉยๆนะเฉยมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เรายังไม่มีสติที่จะทำใจให้เฉยได้ยังมีความอยากเป็นอยากมีอยู่พอเห็นการสูญเสียก็เลยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เห็นเลยทุกข์ ว่าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เราไม่อยากจะสูญเสียร่างกายนี้ไปว่าเราอยากจะใช้ร่างกายหาอะไรกับให้กับเราอยู่เรื่อยๆแต่ความจริงมันจะคอยเตือนเราว่าต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็มาหัดทำใจเฉยๆหัดเลิกใช้ร่างกายกันอย่าไปอาศัยร่างกายอย่าพึ่งร่างกายมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย คือมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันคำถามข้อต่อไปจากคุณคิมค่ะบุญทานที่เราทำนั้นมีเรามีจิตอิ่มสุขอย่างมากแต่ไม่นานเกินสามสี่วันก็จางไปแต่กรรมชั่วที่เราเคยทำในอดีตจะกรรมเบาหรือหนักก็ตามถึงจะไม่กี่ครั้งทำไมมันถึงติดค้างในใจอย่างมากจำได้อย่างแม่นยา ม, มากจิตคอยนึกถึงแต่กรรมที่เคยทา แต่บุญที่ทำนั้นเยอะมากกว่าแต่กลับไม่ค่อยนึกถึงมันเป็นเพราะสาเหตุใดครับอ๋อไม่จริงอ่ะถ้าบุญมันมากกว่ามันก็ต้องถ้าบุญมันมากกว่ามันก็ต้องมันก็ต้องคิดถึงบุญมากกว่าคิดถึงบาสนี่บาปมันมากกว่าเพราะบาปมันหนักกว่ามันแรงกว่านี่แหละมันถึงอันไหนที่มันมันติดใจเรามากก็เพราะมันมีแรงมากอันไหนที่มันติดใจเราน้อยก็เพราะมันมีแรงน้อย เรามาจะเข้าข้างตัวเองโอ้ยทำบุญเยอะแล้วก็ทำบาป น, นิดเดียวเนี่ยเราเป็นคนพิใครเป็นคนบอกว่าบุญมากบุญน้อยเราเรามีบุญเรามีบัญชีบุญ บ, ญบาปแล้วเขียนไว้หรือเปล่า เ, าเป็นการประเมินของเราเองเหมือนกับประเมินที่ดินใช่หไหมวเวลาจะซื้อนี่ประเมินต่ําแล้วกั น, วนเวลาจะขายนีนะ่ประเมินสูงมากเกินนั่นแหละมันอคติไงเรามันมีอคติ แล้วก็อะไรหลอกตัวเองว่าโอ้โหเราทําบาปน้อยแต่ทําไมต้องมาเจอกับไอ้ผลบาปมันแรงก็เกินเราทําบุญมากแล้วกเกินแต่ทําไมต้องมาเจอกับผลบุญน้อยก็พราะความจริงมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราประเมินเนี่ยความจริงมันก็เห็นชัดอยู่เนี่ยบาปมันมากกว่า บ, บุญมันถึงติดค้างติดในใจเราสะเทือนใจเรามากกว่า บ, บุญที่เราทําอยอะใช่ไหมแค่นี้ความจริงก็มองไม่เห็นนะเพราะเราประเมินตัวเราเอง ยประเมินที่ดินของเราเวลาจะจ่ายค่าที่ดินนี้ประเมินต่ำเหลือเกินใช่ไหมจ่ายภาษีที่ดินนี่โอ้ยปุ๊บลงมาไม่กี่บาทเวลาจะขายนี่ประเมินโห้ยสูงเหลือเกินเนี่แบบเดียวกันเวลาประเมินบุญนี่โหเยอะเหลือเกินประเมินบาปนี่นิดเดียวอแต่ความจริงมันปักป่วนให้เห็นชัดใช่ว่าบาปมันมากกว่าบุญนบาปมันถึงสะเทือนใจเราไม่เหมือนกับบุญเอ คำถามต่อไปจะคุณจินขอบค่ะอันปนาสมาธิมีอุเบกขากับเอกคตาเป็นอารมณ์หรือไม่ครับหรือไม่มีอารมณ์ครับก็เอกขตาอารมณ์ก็คือสัจธรรมรู้ไงตัวรู้สัจธรรมรู้คืออารมณ์เดียวคือมีผู้รู้อยู่เป็นตัวเป็นอารมณ์ตัวเดียวคือตัวรู้มีการรับรู้รู้รู้รู้ว่าสงบ แต่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอย่างอื่นมาให้ดับหรือไม่มีปิติไม่มีสุขไม่มีอะไรหายไปหมดเนื้วแต่ความว่างเนื้อแต่ความรู้ตัวรู้ตัวรู้นี่แหละเอกตารมคำถามจากคุณกำมลวันค่ะเวลาเราไปโปรงศพตอนเราขึ้นโปรงศพเราท่องว่าจุดติจุดตังอรหังจุดติ <c oughs> แปลความหมายว่ายังไงแล้วคุณไปท่องแล้วมาถามแปลว่าทาไมทำไมคุณไปท่องให้มันเสียเวลาปเปล่าๆคนกไปปงศพก็ไปดูว่าเนี่ยร่างกายของเขาเหมือนร่างกายของเราร่างกายเขาตายได้เดี๋ยวร่างกายของเราก็ตายได้ น, นี่คือวิธีปลงศพไม่ใช่ไปท่องคาถาที่เราไม่เข้าใจแล้วมันจะไปปลงให้มันเสียเวลาทําไมไปเข้า ใ, ใจไหมจุดติก็แปลว่าเกิดใช่ไหมหรือ ด, ดับ อ่ามีเกิดก็มีดับเนี่มันก็มีแค่นั้นะที่ให้ไปท่องรู้ความหมายอันนี้ตอนเด็กยายเคยบอกอ่ามาว่ามาตอบให้ฟังหน่อยบอกว่าให้ไปเกิดในดินแดนพระอารหังอ๋อแล้วไปได้เปล่าไม่ได้ <laughs> ช่วงนี้คำถามหมดเจ้าค่ะหมดนล้ว น, <อ>นะเนี่ยทําะไรตามพิธีโดยที่ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรมันก็เลยเป็นเหมือนเล่นละครไปไม่มีผล ส่งผลให้สู่ใจการไปไปดูศพไปคารวะศพนี้เป็นการเหมือนกับไปไปดูอนาคตของเราว่าร่างกายของเราต่อไปก็จะต้องเป็นแบบนี้ให้พิจารณาแบบนี้เพื่อเราจะได้ไม่ประมาทเพื่อเราจะได้คิดหาทางออกก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าเรายังทุกข์กับร่างกายอยู่แสดงว่าเราเพิ่งร่างกาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องเลิกพึ่งร่างกายไม่พึ่งร่างกายก็ต้องมาพึ่งภาวนาถ้าภาวนาแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไนดะ้เราไปเห็นศพก็จะเฉยเฉยไม่รู้ึกมีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวหรือมีความกังวลแต่อย่างใดเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เดือดร้อนแล้วเพราะเราไม่ต้องอาศัยเขาแล้ว เหมือนอยู่บนเครื่องบินรู้มันจะตกแต่เรามีร่มชูชีพเว้ยเราไม่เดือดร้อนมึงตกกลัวกระกโดดออกได้แต่ถ้าไม่มีล่มชูชีพนี่โอ้หวั่นไหวหวาดกลัวเวลามันตกก็ต้องตกไปกับเครื่องในเวลาร่างกายตายก็ต้องทุกไปกับความตายของร่างกายถ้าไม่มีภาวนาไม่มีร่มชูชีพถ้ามีภาวนาแล้วเหมือนมีล่มชูชีพจิตกระโดดออกจากเครื่องได้กระโดดออกจากร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งร่างกาย พามีภาวนามามาดูแลใจต่อไปยังไม่มีมา ใ, <ค>ใช่ไห ม, ไ ม, ม, มดีนะจะได้ปิดบัญชีวันนี้ได้พักผ่อนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านเจ้านำามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอนเอาน้ำพริกเข้มข้นดีกว่าเอาน้ำพริกเจือจางแบบพยายามลากไปให้มันเต็มเต็มถ้วยมันเลยต้อนน้ำมาเติมมันก็เลยไม่เข้มขน้นถ้าไม่มีคำถามก็จบดีกว่านะ